أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله و ب ا ل ر س ويقولون ل و آمنا بالله و ب ا ل ر س و ل แล و ทั้งหมดนَ้นก็เป็นเพราะความรัก س ل ي ه ل ي ح ك م ب ي ن ه م إ ذ ا ف ر ي ق م ن ه ُ م م ع ر ض و ن إ ذ ا ف ر ي ق م ن ه ُ م م ع ر ض و ن و إ ن ي ك ل ه م ا ل ح ق ي َ ت و ن ِ ل م ا َ ع ي م و إ ي ا ك ل هم الحق يأتوا إليه مذعين. في قلوبهم ر د أ م ي ت ا ب في قلوبهم ر ض أمير تابو. خافون أيحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم ا ل م ا ل و ن بل ئ ك هم ا ل م غ ل م و ن كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله بيحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا ا وا سمعنا وأطع وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ و َ ن َ ع ْ م ز ُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أ َ ن ف ُ س ِ ن َ ا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا م َ ي َ ه ُ ه اللَّهُ فَلَا م ُ ض ِ ل َّ وَمَا ي ُ ض ْ ل ِ ل فَلَا ه َ ا د ي َ ه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك ل م ا ت ِ ا ل ْ ه ِ ت ا م ا ت م ن ش ر م ا خ ل ق ب س م ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا ي َ د ر مع อัลหมิฮีช الأرض ولا في السماء وهو سميع الس العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبري ا رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في ب د ن ي وعافني في سماي ว่าฟินีฟีบัซรี سبحان الله وبحمد him ع ดัฎะ قلق ี ورضا نفسه وزنة عرش ี وמידة كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสบุบที่รักทั้งหลายครับละ hamdulillah เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์การขอบคุณอัลลอฮ์นั้น จำเป็นนะสำหรับพี่น้องมุสลิมทุกคนทั่วโลกให้ขอบคุณอัลลอฮ์ทุกๆครั้งที่เราจะจะทำความดีหรือว่าหลังจากความดีเสร็จแล้วเช่นตื่นนอนนอนเมื่อคือนเนี่ยหลับสบายนะครับพอตื่นขึ้นมาก็ขอบคุณอัลลอ์ว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัติอภยานา บาดา ا ะอามะตานะไวลายินโนูรมุสลิมทั่วโลกถูกสอนให้อ่านให้ขอบคุณ Allah Subhanahu wa ดื่มนาม้าอิมา่มแล้วให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาทานอาหารอิ่มแล้วอัลฮัมดุลิลลาจะเริ่มทำความดีต่างๆให้อ่านบิสมิลลาด้วยพระนามของ Allah ฉันเริ่มทำนั่นทานี้ทำนี้ทำนั้น แม้แต่จะขาขกุญแจรถบิสมิลลาจะนั่งบนรถบิสมิลลาจะเคลื่อนอิริยาบทอะไรก็ตามต้องนึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณอ AH. ัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาแปลว่าการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์เพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมาลาิกาก็จะต่อมาลายกาจะต่อว่างไงนะรอบบิลลาเลนีเพราะเราอ่านหมดเลยอนะ الحمد لله ر ب ا لامين มเลกาก็ขอเลยอัลลอฮุมมักฟิดลีอับดิกาอัลลอฮุมมักฟิดเลีอับดิกาเนี่ยมเลกขอขอต่ออัลลอฮ์นะโอ้อัลลอฮ์โปรดอภั ย, ยโทษให้กะบ่าวของท่านคนนี้ด้วยตัวเรงว่ามุสลิมเนี่ยทำอะไรมีมราะวันตอบแทนหมดเลยนะต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะ ขอคุณอัลล์ที่เราได้มีโอกาสเนี่ยหลังมาซุบอได้มานั่งที่บ้านของอัลลอฮ์แล้วก็มาอ่านอัลกุรอานซึ่งเป็นคำพีของอัลลอฮ์สุบฮานาหวุวดอลาเหลืออยู่เล่มเดียวคำพีที่มาก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงเรียกว่าสังคยนาไปแล้วพาอฝากให้มนุษย์รับผิดชอบดูแลแทนอัลลอฮ์แต่อลเะ ยาฮูดีกับอุอลามานสรอเนียนั ส, น ส, ส ร, ร, สส ร, ราเานี่ยไม่รับผิดชอบไม่ดูแลดันไปต่อไปเติมไปตัดคัมภีเตารอซา บ, บูอินจีเรียกว่าบบงใบเบิ้ลไหนไปน้องนั่นแหละเป็นของอลัลลอฮ์มาก่อนเปลี่ยนแปลงสามขยณนาจนกระทั่งไม่รู้ว่าอายาไหนเป็นของอลัลลอฮ์และอายาไหนเป็นของมนุษย์จะนั้นมีคัมภีรเหลืออยู่เล่มเดียวคืออัลกุรอานนี่แหละ แล้วก็อัลลอ์บอกว่าว่อินนีว่าอินน่าลาูลาฮาฟิรูนฉันเป็นผู้รักษาเองไว้ใจมนุษย์มาไว้ใจได้ไหมไม่ได้ขนาดไว้ใจอุลามาแล้วนะยังไม่ปลอดภัยเลยฉะนั้นเล่มสุดท้ายนีย่ฉันขอรักษาเองอัลลอฮ์พี่น้องน่าคิดมากกันนะอัลลอ์ไม่ไว้ใจมนุษย์เนี่ย <laughs> อ่ะทีนี้คุณอ่านมีทั้งหมดเนะี่ยหนึ่งร้อยสิบสี่เท่าไหร่นะ หนึ่งร้อยสิบสี่ซูลอหนึ่งร้อยสิบสีู่ลวันนี้เรามาถึงซูรอที่ยี่สิบสี่กี่ปีแล้วเนี่ยยี่บสี่ปีแล้วก็บางคนน่ะตายไปหมดแล้วอดีตว่านั่งฟังตั้ซีตรงนี้นะครับี่เรื่องกุนอาเนี่มันเรื่องของมนุษย์หมดเลยนะเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจก็ไรอะไ ร, อะไรอะขอเล่าเนิดหนึ่งนะ ตั้งแต่อัลลอฮประทานอันกรุาาลงมาเนี่ยนบียังมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้กี่ปีแล้วหนึ่งพันสี่รอสามสิบเจ็ดปีหนึ่งพันสี่สามสิบเจ็ดปีเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะยินและชัยตอเนี่เคยขึ้นไปข้างบนได้ไหมได้ผูชันฟ้านี่ขึ้นไปได้เลยนะเขาเรียกว่าจราจรเปิด ใครจะไปไหนก็ไปแต่ตั้งแต่อั้นกลัวอ่านถูกประทานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดจราจรปิดจราจรปิดยินไชตอนขึ้นข้างบนไม่ได้ยินเล่าเองอัลลอฮ์เล่าว่ายินพูดอย่างงี้มูลิอัตฮารอซันชะดีดันพวกเขาพยายามขึ้นไปบนข้างบนเนี่ยะจไปหาข่าวไปแอบอยู่ที่ก้อนเมฆเนี่ย ปรกดว่าไปพบใครครับผู้รักษาอย่างเข้มแข็งมียามรักษาอย่างเข้มแข็งฮาราสัมชฉดีดันแ ล, แล้วก็มีอนั้นมีเปลวเพลิงอยู่ด้วยมีทั้งผู้รักษามียามเฝ้าอย่างเข้มแข็งและยังไม่พอยังมีเปลวเพลิงอีกนี่ใครไา้ครับยินเล่าเองขึ้นไปข้างบนขึ้นไม่ได้แล้ววันนี้มียามรักษาอย่างเข้มแข็ง มีตำรวจจราจรอย่างดีเป็นมาลาอิกะยืนเฝ้าไม่ให้เขาวิ่งถนนสายนี้ถนนสายนี้เฉพาะกุญอาของอัลลอฮอย่างเดียวลงมามาหาใครมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสโลอะไรอย่สลดจราจรปิดเห็นยังครับเหมือนกับประธานาธิบดีของประเทศน่จะออกไปไหนปัญหาจราจรปิดไหมปิดครับรัฐมนตรีออกปิดได้ไม่ปิดไม่ปิดครับ ข่าวพระกุรานี่สําคัญมากยิ่งใหญ่มาก จ, จ ร, าราจรบนชานฟาบถูกปิดหมดใช้ด น, นอย่าดูถูกกุรานอย่าดูถูกนบออีพี่น้องต้องให้เกียรติต้องยกย่องให้เกียรติกุรานยกย่องให้เกียรตินบีของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาแล้วพอ จ, จอราจรปิดแล้วก็ไม่เปิดอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันทียาอ์มาอัลฮัมดุลิลลาฮิเบนอง เอกรที่จะเรียนกรอ่านระยะนี้ขอคุยถึงไชตอนกับยินที่ขึ้นไปอยู่บนชั้นฟ้าและไปแอบเดี๋ยวนี้มันขึ้นไม่ได้เนี่ยไชตอนยินกับมนุษย์เนี่ยใครเหนือกว่ากันใครเหนือกว่าอิทธิพลของใครมากกว่ากันของไชตอนมากกว่ามนุษย์ยินไชตอนมีอิทธิพลเหนือกว่ามนุษย์เจ็ดรายการ ี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะอย่าคิดว่าเราเนี่ยปราบไซต์ตอนอยู่นะไม่มีทางครับปราบยินก็ปราบไม่ได้ด้วยต้องอาศัยอัลลอฮ์ต้องอาศัยกุรานต้องอาศัยสุนนะนบีถึงจะปราบอยู่ด้วยความสามารถด้วยสมองของเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพอมัคิดไม่ถึงว่าจะปราบยังไงให้มันอยู่มืออยู่มัดเนี่ยต้องอาศัยคําสอนของท่านนาบีผ่านอัลลอฮ์สุบฮานะหัวจ่าเจ็ดรายการเนี่ย ที่ยินและชัยตอนเหนือเราเนี่ยมีอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งมันเคลื่อนไหวแบบว่องไวเราพออายุเจ็ดสิบเราไหวไหมลนะ่ะกว่าจะขึ้นนี่กว่าจะเดินโอ้ยยิ่งเป็นเก้าด้วยเรียบร้อยเคลื่อนไหวว่องไวอะไรนะยินและชัยตอนเรื่องที่สองนะมันบินในอาวากาศได้เราบินได้ไหมฮัลโหลเรานี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะ จากต้นมาลงมาข้างล่างยาเหลือไม่เหลือเนี่ยไม่รู้เลยนะตกลงมาเนี่ยเรียบร้อยขาหักขาหักอกหักขาหักโอ้มือหักแต่มันบินในอากาศได้สองแล้วนะอันที่สามนะมันเปลี่ยนแปลงร่างได้เป็นงูบ้างก็ได้เปลี่ยนเป็นไก่บ้างก็ได้เปลี่ยนเป็นแมวก็ได้เปลี่ยนเป็นนกก็ได้เปลี่ยนเป็นคนก็ได้นี่ร่างของยินและชัยตอน ข้อที่สนะี่ในเวลามันวิ่งอยู่ในในเส้นเลือดนะเข้าหามนุษย์เดือยมันวิ่งในเส้นเลือดเลยนะยาเจรีฟีม่จะดิดัมมี่วิ่งอยู่ในเส้นเลือกเลยเนหะ็นไ้มอัลลอฮฺให้นะแล้วก็บอกให้เรามนุษย์รู้ด้วยนะเองอย่าเล่นเล่นเล่ น, ลนทำเช็ดกับเช็ตอนนะอย่าเล่ น, เ ล, นเล่นกับยินนะ ข, ข้อที่หนึ่งเคลื่อนไหวว่องไวข้อที่สองบินในอากาศได้แต่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะไม่หาข่าวปิดแล้ว การจราจรปิดขึ้นไม่ได้แล้วอันที่สามแปลงร่างได้อันที่สี่วิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์อันที่ห้าสร้างความสับสนที่หัวใจของมนุษย์แต่ละข้อแต่ละข้อเหนือเราอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่แค่สร้างความสับสนนี่เราว่าเยอะแล้วนะอายาไหนครับอัลลอดีอยูวาสวิสุฟีสุดูรินนัสและตัวที่มาสร้างความสับสนในหัวใจมาโทษเนี่ยใช้ตอนเนี่ยินนี่นะชื่อคอนนัส อย่าไปตั้งชื่อหลานทีลูกนะชื่อคอนนาสองชื่อเพราะดีอยู่ในก ร, ร, กรนะเพือกกุ้งานน่ะมินชอริลวัสวอซิลคอนนาคอนนาสนี่ตัวตัวแสบละ่ะมันสร้างความสับสนเรื่องชั่วชั่วคิดเรื่องชั่วช่วในกระสิบกระซาบที่หัวใจคิดแตเรื่องชั่วอย่างเดียวเรื่องเรื่องดีมันมันไม่กระสิบหรอกบางคนเข้าใจว่าชายตอนกระซิบที่หูอ้าวใช่หรือเปล่า ไอ้ที่หูหน่ะภรรยาเราใช่ไหมตัวเราใช่ไหมกระซิบที่หูภรรยานอกนั้นไหล่ใช้ตอนยินกระซิบที่หัวใจหมดข้อที่หกอะไรถูกไหมทําอันตรายกับร่างกายของมนุษย์แล้วก็สมองของมนุษย์ได้ด้วยเนี่ตรงนี้ต่างหากที่เรากลัวมากกันฉะนั้นเด็กมุสลิมที่เพิเพียรหลายคนเนี่ยติดยาเสพติดนิดเดียวและใช้ตอนเลินงานเลยทั้งสมองและปัญญาเรียบร้อยหมดแล้วมันคอนโทรลเรียบร้อยหมดเลย กระทังพูดจาไม่รู้เรื่องด่าพ่อด่าแม่ตัวเอง่ะนี่นะอิทธิพลของไทตอนทางมนเล่นแล้วก็ยินเพราะเราปล่อยให้มันเล่นงานเราอ่ะแล้วไม่เคยขออ้อนวอนต่อรอให้คุ้มกองฟอตัวเราเน่ยเราแน่ไม่มีสิทธิ์ครับพี่น้องข้อที่เจยินกับไทตอนเนเห็นเราใช่ไหมแต่เราไม่เห็นมันแพ้หรือยังมันแพ้โดงอัตโนมัติแล้วมันเห็นเรามันเป็นศัตรูแต่มันเห็นหน้าเราแต่เรา ไม่เห็นหน้ามันแต่ในวันเกียรมา น, นะเราเห็นมันมันไม่เห็นเราคุณทีวันเกียรมัดเนี่ยต้อรอก่อนนะตายก่อนแล้วฟื้นขึ้นมาเราเห็นไสตอนแต่ไสตอนไม่เห็นเราอิสราเอละนะครับอธุรวงว่ายิงกับไสตอนในอิทธิพลเหนือเราใช่ไหมกี่ข้อนะเจ็ดข้อทีนี้ทาไงเมื่อมันเหนือเราเนี่ยต้องอาศัยต้องอาศัย อาศัยแปลรายการที่จะคุ้มครองสชตอนหนึ่งอะไรบ้างให้ له, อ่านอูซบิลลาอูซบิลลามิเนาะไชตอนนี่รอหยอันเยอะอันต้นเดียวก็ได้วางสักร้อยครั้งนะขอความคุ้มครองจากอัลล์ให้อัลลอ์คุ้มครองอยู่ให้ไชตอนมีอิทธิพลเหนือเราแล้วก็อ่านบิสมิลลาฮิร r a h น a n i r อันเยะเยอะไปน่องแล้วก็อ่านสุลฟาติฮานี่สามแล้วนะ อัลฮัมดุลิลลอฮิร abbينا เลมินอัลรอฮ์มานุรรฮัยมมัลลิคยามิดดีอัน ย, ะยะิ่งย่ไปน้องอยู่ในบ้านให้ลูกอ่านเนี่ยภรรยาอ่านต่อมาข้อที่สี่อ่านสุร์บากราออันนี้ยาวไหมยาวที่สุดในกะภพร์คุรานโอ้โหพี่น้องท่านต้องอ่านกราุรานนะสุร์บากรอถ้าไม่อ่านเองก็เปิดเทปก็ยังดีให้ลูกได้ฟังเราได้ฟังคอนโทรลควบคุมชัยตอนกับยินทั้งหมด ข้อที่หอ่านสองอายสุดท네้ายของโซโลากอรอะไรบ้าอามานรบมาอุนซิลมิรบวัลมูมนูนกุลุนอ่านให้จบไปน้องส่วนใหญ่เราท่องจำไปอยู่แล้วนะข้อที่หกอ่านอายารสีอัลลอฮอิลาฮิลลัฮุวาฮยุลยยุมละตะคุฮซินะตุวะลาอ่านให้จบไปน้องนะ ข้อที่แปข้อข้อที่เจ็อ่านซูราะอิคลาสกุลุบัลลอหุอหัดข้อที่แปดอ่านสองซูราะกุลอาอูซูบิรับบิลฟารักบากุลอาอูซูบิรับบินบบนสัสอันเยอะๆไปน้องสองอายะนี้สองซูราะนี้ไล่ยินและไชตอนเอาเกลือไปคว้างก็ไม่สำเร็จเอาเข้าวสารคว้างก็ไม่สำเร็จเอาอะไรๆมาปักไว้ก็ไม่สำเร็จเอาตัวตะเกียวก็ไม่สำเร็ จ, ต, ต, รจตัวระยองก็ไม่สำเร็จ เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนโลกดีพอเขียวพอแดงมาไม่สำเร็จมันต้องอาศัยกุญยอ่านบนเลยนะ่ะแปอะไราการอ่านอูซบิลลัลอันบิสมิลลัลอันฟาติฮ่าอัลสุ ร, รอุบะกรออ่านสองอายะสุดท้ายของสุรอุบกะกรออ่านนายาคุสีอัลสุรอุบะคลาสอ่านสองกุญยสมกุญยใกล้ชายตอนละลายินเพราะนั้นอย่าให้ชายตอนอยู่ในบ้านที่อยู่ในบ้านเราอย่าให้ชายตอนมันคอนโทรลเราอย่าให้ชายตอนอยู่กล้ตัว อ่านคุรานเยอะแล้วก็รักษาน้นมาจุดเป็นประจํอ่าเข้าใจนะอ่ายาวันนี้มาดูุรานนะข้ออายะี่ี่บเยะลูนะอามันนะบิลลาฮิวบิรูล وَأَطَعْنَا ث ُ م َّ ي َ تَوَلَّ فَرِيقٌ م ِ ن ْ ه ُ م ِ م ّ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أ ُ ل َ ا ِ ك َ بِالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أ َْ ب َ ر وَيَقُولُنَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ซุมมยะทวกลา ف รีกุมมินหุมมิ่น ب ع د ذ ل กว่าอุลาอิคบิลมุมินอัลลอฮฺอักบารุสรรัตนะครับวย่ากูรูนอย่ากูรูนแปลว่าพวกเขากล่าวรู้ไหมใครกล่าวเนี่ยไม่ใช่ซอบ้านนาบีกล่าวนะครับแต่เป็นคนมูนาฟิกกล่าว คนมูนาฟิกเนี่ยคนหน้าไหว้หลังหลอกอธิบายอย่างนี้คนมุนาฟิกเนี่ยในสมัยนบีคนมุนาฟิกเยอะนบีไม่รู้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังผ่านยิบรีนว่าคนนี้มุนาฟิกคนนี้มุนาฟิกคนนี้มุนาฟิกคนมุนาฟิกนี่ก็คือคนที่ต่อหน้าเนี่ยต่อหน้านบีเนี่ยฉันเป็นมุสลิมฉันรักนบีฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักสุนน่านบีแต่คนรับหลังนี่มันก็ด่านบีนั่นแหละ พ้มันอยู่อยู่ในกลุ่มพวกมันมันก็ดานาบิดาซุนานะนบีโอพี่น้องอย่างนี้ปัจจุบันนี้มีไหมมีครับแต่เราไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่อัลลอ์สอนคนมุนาฟิกนะสมัยในบีพูดว่าไงนะอามันบิลเราเนี่ยอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตัลงว่าในเรื่องเรื่องต่อหน้าดีดีไหม พูดเลยอามันนาบิลเรานี่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮ์อยู่ทุกอัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนไดนะอารัชอารัชอยู่บนบันลังของอัลลอฮ์บนชั้นฟ้าอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงได้ยินทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์สร้างมูนสร้างเนี่ยยอมรับหมดว่าบิยรอซูลแล้วก็เราอีมานต่อใครนะต่อรอซูลของอัลลอฮ์มีอยู่คนเดียวนะคนสุดท้ายเนี่ยคือนบีมุขมัดสุลต์บุสลัด ละซูลที่มาในโลกนี้ประมาณห้าท่นนานนบีนะ่เยอะนะครับประมาณยี่สิบห้าท่านที่ไม่มีชื่อนะ่เป็นแสนนะ่ะที่อัลล์ทงมาเนี่ยชื่อไม่มีจต่นั้นที่คนบนาฟิกจะพูดว่าชันนี่อีมานต่ออัลลอฮ์และอีมานต่อละซูลคนนี้แหละมุฮัมมัดใงฉันเชื่อว่าอโตอานาะ แ, แล้วเราก็เชื่อฟังปฏิบั ต, ต, อนะติอตอานาคือตอตอัดตออ เราเชื่อฟังปฏิบัติตามบัลล่อนและราซูนนี่ตอหน้านะตอหน้านี่ยพูดอย่างนี้แหละอลอลก็นึกว่าเป็นเป็นมุสลิมสินึกว่าเป็นมุ่งมินสิจากที่ไหนได้มุนาฟิกอ่านดูต่อไปซุมมยาตาวัลลาฟาริกุมมินฮุมยาตาวัลลานี่แปลว่าหันหันกลับหันหลังให้ นั่งอยู่กับท่านนาบีเนะี่ยพูดอย่างนี้แหละฉันอีมานตอ่อลอออิหมานตอน่อละซูลฉันเนะชื่อฟังนบีปฏิบัติตามนาบีซุมมยายะตะวันละเมื่อเวลาเขาหันกลับไป <c oughs> ดีออกจากท่านนาบีนั่งอยู่ประชุมกับท่านนาบีนะ่ยพูดอย่างหนึง่งเวลาหันหลังกลับไปฟารีกุมมินหุมสว่วนหนึ่งจากพวกเขาไม่ใช่ทั้งหมดนะสว่วนหนึ่งจากพวกเขา มิมบาดีลาลิก้หลังจากนั้นพอหันหลังกลับไปเป็นไงรู้ไหมพวกนี้ปฏิเสธแล้วพอหันหลังกลับปฏิเสธแล้วไม่เชื่อแล้วอายาหนายต่อมาว่ามาอูเลอีกาบิลมูมีนและพวกเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแสดงว่าตอนหน้านาบีนะผู้ ด, ดีนะฉันอิมานต่ออัลลอฮ์นะฉันอิมานต่อรอซูลนะ ฉันก็จะเชื่อฟังน้านาปฏิบัติตามท่านนาแต่พอรับหลังป๊าบเป็นไงปฏิเสธ <c oughs> นี่เ็าเรียกมุนาฟิกต้องการจะอธิบายเรื่องมุนาฟิกให้เราฟังฉะนั้นพูดเพี่นต้องกับอาศัยกุรานนี่แหละตีความคขาว่ามุนาฟิกก็คือต่อหน้านบีน่ะทำตัวเป็นเป็นมุสลิมดีเลยอ่ะโอ้โหมะงนม า, น, ม น, า, มานี่ดีหมดแต่ขั้นไงนี่มันแอนตี้ ข้างหน้านี่เกียรติสุนทร น, นาบีจังเลยนี่เกียรตินาบีจังเลยแต่มาก็มาอย่างนี้แหละมาเอาใจนบีตอนหน้าตอหลังนบีนบีไม่รู้เอาเล่าเล่าให้ฟังโอ้เล่าให้ฟังก็รู้เลยเนี่ยี่นว่าระวังนะอย่าเป็นบุนาฟิกนะมุนาฟิกนี่โทษขอมันน่ยอยู่ในนรกชั้นอะไรต่าสุดนรกมีอยู่เจ็ดขุมนี่ย ขุมที่ตาำที่สุดก็คืออโลอกขังสำหรั บ, บคนมูนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกคนกลับกรอกระวังดีคนมูนาฟิกนี่สังเกตนะนในะคุณอาณ่อานอธิบายดูไหมเพราแต่งตัวเนี่ยดีมากเลยพูดจาเนี่ยชั้นหนึ่งเลยนะคนฟังโอ้โหพูด้าดีขยงนก็ดีด้วยอะ่ะเวลาเขาพูดนบีต้องฟังอะ่ะพูดจาดีสมนวนดีอะไรดีหมดเลยแต่ว่า เวลา نبي าพูดเนี่ยมันนึกเลยทุกคำเนี่ยเป็นสตูดมันเลยมันต่อต้านเนี่ยต่อต้านต่อต้านเข้าใจว่านาบีพูดต่อต้านหมดเล ย, เยอัลลอฮ์ก็สั่งฟะจารูหุมระวังให้ดีนะคนมุนาฟิกนี่เป็นมุนาฟิกตอนนี้เยอะนะเยอะมากเลยยิ่งอะไระรักเงินใช่ไหมรักชื่อเสียงรักตําแหน่งรักเกียรติยศหลงสามสีรายการนี่นะเป็นมุนาฟิกเยอะเลยนะรับเงินรับทองเข้ามานี่เป็นต้องเป็นมุนาฟิกนะ ต้องหน้าไหว้หลังหลอตลอดเวลาวันนี้มีเยอะไหมเยอะมากครับยิงใกล้ๆวันเกียร ม, มาเนี่ยอลัลลอฮ์จะให้เห็นพวกมุนาฟิกนี่เยอะมากผมมีเรื่องเล่าเยอะแต่เล่าไม่ได้ผ่านทีวีนี่เล่าไม่ได้เห็น้องครับอาตีดาของคนมุนาฟิกเป็นอย่างงี้หัวใจกับปากตรงกันไม้มไม่ตรงกันปากอย่างหนึงใจอย่างหนึ่งการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามุนาฟิกการี้คนมุสลิมทำแบบนี้ได้เปล่าไม่ได้ คนมุสลิมต้องปากกับใจต้องตรงกันการปฏิบัติก็ตรงกันยกตัวอย่างพอเราแปลว่าไงนะอัชชาดูอัลลาะิลาฮอออุลลอฮ์ตัวนั่งนมาใช่ไหมอัจฮายาเนี่ยพอกแปลว่าฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นได้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวมือชี้กันใช่ไหมน่ะไอชี้นี่แหละเป็นการยืนยันว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวปากพูดใจก็ต้องแน่วแน่ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวจริงๆ นี่คือเรีก่ามุสลิมแล้วก็เตือนตลอดเตียนวันละหครั้งอ่ะอ่านอัลชดอัลลอฮอิลาอิลลัลลอฮีแชาอนเดนะนำนะอิลลัลลอฮยกมืออย่างี้เลยเพื่ออะไรนะเพื่อยืนยันว่าอัลลอ์มีองค์เดียวปากพูดว่าองค์เดียวใจก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวจริงๆอย่าไปกลัวจิงจกทักไม่กล้าออกจากบ้านนกแขกบินตอนกลางคืนสี่ทมแขกคนตายเพราะฉีกพระเ้าง่ะ เข้าใจผิดเรื่องอะกิดาผิดมเดเลยอย่าไปทำชิริกต่ออัลลอ์สุบฮานเป็นบาปอันเป็นบาปใหญ่อย่างใหญ่หลวงนะเอาต่อมาครับอายานีอัลลอฮ์กล่าวถึงคนมูนาฟิกเล่าให้นบีฟังแล้วก็เล่าให้พวกเราที่อ่านคุณอ่านว่ามุนาฟิกเป็นแบบนี้แหละพวกเขาอ้างอีมานอ้างอีมานด้วยนะอามันนาบิลแล้วก็ อ้างว่าว่าเบลรอซูลชาเน่ต่ออัดต่อท่านนบี ม, มุฮัมมัดบอกเวลาลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยพวกนี้กลับหลังแล้มายอมปฏิบัติและเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเหล่านี้ไม่มีอิมานมาแต่เดิมอยู่แล้วแกล้งมารับอัลอิสลามแกล้งมารับอลัลมารับมาศรัทธาต่อคือแกล้งทําทั้งหมดเลยนะครับ เมื่อการทดสอบจากอโลอมานะ่ะเพิ่งเพิ่งรู้โอคนนี้นะ่ะเป็นคนมีอิมานหรือไม่มีอิมารู้รเลยต้องทดสอบถึงจะรู้นะ่ะอ้าวยกมีใครบ้างอะ่ะวันที่ท่านนาบีขึ้นเมอรอนะเนี่ยพอลงมาตัมุดตัดกันเต็มเลยนะ่ะนบีขึ้นเมอราะพอกลับมานับีเล่าว่าเมื่อคืนฉันขึ้นไปไปประเทศไะไนะ ประเทศอีอะไรเนี่ยปาเลสไตน์ก่อนไปนํามาที่อัลอักซอนะยารูซาเลมระจับไว้มาขึ้นไปเข้าเป่าอลรอพบคนนั้นคนนั้นบนชานฟ้าเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอกลับมามาเล่าให้ฟังเอ๊ะไปได้ยังไงปาเลสไตน์เขาเดินกันเดินทางกันเดือนหนึ่งกับดบีไปแป๊บเดียวกลับเป็นได้ยังไงตกมูรตัดกันเป็นแถวเลยนะท่านไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อปั๊บตกมูรตัดเลย วันนี้ก็เหมือนกันนี่ยซีอาร์มารับชีอาร์กลาเป็นแถวเลยอ่ะตกมุดตัดกันเต็มไปเลยเราทดสอบนี่เดียวเรานั่นเองไปน้องป้ายกันหมดแล้วอย่างนี้เป็นตัวยกตัวอย่างนะเข้าใจง่ายเนะยกอย่างอื่นมันลึกเอาง่าย ๆ, ๆก็แล้วกันไปนอนผมไม่ได้ตําหนิใครนะเล่าให้ฟังว่าตกมุดตัด้วยเหตุอะไรบางทีเพราะเงินบ้างเพราะ อ, อกตรีได้ไม่ถึงบ้างเชื่อไม่จริงบ้างอะไรบ้างในตกมุดตัดกันหมดเลยเป็นมูลนิธิไปหมดแล้วนะครับ มาต่อมาอญญายที่สี่สิบแปดนะ <c oughs> อญญายะที่สี่สิบเจ็ดวัสุดท้ายนะดีนะหมาอุลอิกบิลมุมินีและพวกเขาเหล่านี้นะไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเห็นไหมใจกับปากไม่เหมือนกันการปฏิบัติไม่เหมือนกันด้า น, นใจกับปากไม่เหมือนกันจึงไม่ใช่มุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮระวังโทษเยอะต่อมาข้ยายะที่สี่สิบแปด وَإِذَا د ُ ع ُ و ا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا ف َ ر ِ ك ُ م مِنْهُمْ م َ ع ْ ر ِ د ُ ه ُ م وَإِذَا دُعُوْا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ เลย حكما بينهم إذا فريق منهم معرضون อัลลอฮฺอักบันี่อัลลอฮชมนะครับชมด้วยก่ดาด้วยนะครั บ, รบสัญญาจะจะดา่นะละตำหนินะแต่นั่นานา่จะชมทริงชมมุมินนะ นี่นี่ก็แล้วดา่ดาด่าด่ามุนาฟิกอยู่ตําหนีมุนาฟิกเย้ว่าดาด่ามิาภาษาไม่ดีนะไปอะไรนะตําหนิข้อบกพร่องของคนมุนาฟิกว่าอีาดูเอาอีดาไปอะไรนะเมือ่อดูเอาไปว่าถูกเรียกร้องถูกเชิญชวนเมือ่อพวกเขาที่สัวปรับจิตคนมุนาฟิกเนี่ยถูกเชิญชวนถูกเรียกร้องบอก น, นะ อิละลอไปหาใครไปหาอัลลอฮ์ให้อีมานต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะครับอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าอัลลอฮ์เห็นทุกสิ่งทุอย่างอัลลอฮ์ได้ยินรู้ทุสิ่งทุอย่างของมนุษย์การเคลื่อนไหวของได้รู้หมดเนี่ยเมื่อคนโมนาฟิกถูกเรียกร้องถูกเชิญชวนอย่างอัลลอฮ์ให้เชื่อและปฏิบัติตามบัลลอฮ์ให้เชื่อและปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์ วาฬสูลีฮีละให้เรียกร้องไปสู่ให้อีมานต่อรอสูรของอัลลอหฺลียะกูมาใบนาหุมเพื่อรีบว่าเพื่อหากามายะกูมึงแปลว่าตัดสินเพื่อให้ท่านนบีนี่นัดยากุมตัดสินใบนาหุมในระหว่างพวกเขาถ้าไม่ต้องตัดสินละ คนมันมีคดีกันบางครั้งบางคราวก็ทะเลาะกันอะไรกันมีไหมมีระหว่างใครระหว่างมุมินกับคนมูนาฟิกมีปัญหากันทะเลาะกันเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะอย่างอ า, นะอานะอยานี้นะมีอัสบาบุนดูซูนอายานี้นะเรื่องที่ดินคนมูนาฟิกแล้วก็คนมุมินทะเลาะกันเรื่องที่ดินขัดแย้งกันเรื่องที่ดิน ในรายละเอียดไม่รู้แต่ตัดสิอธิบัตรเรื่องที่ดินเรื่องดินเรื่องอาหรับเรื่อแผ่นดินนี่แหละขัดแย้งกันทีนี้มีคนบอกว่าไปหานาบับ ม, มุลโมบัดดีกว่าไปหานับดุลโมบัดคนบนหน้าเฟซกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปหาโมบมัดไม่เอาอ่าจะไปหาคนอื่นเอา แต่ไปให้ให้นบีบูมาตัดสินฉันไม่เอาเพราอย่างนี้อย่างเดียวอลัลลอฮ์ไม่พอใจนะข้างบนนั่นน่ะเหมือนกับวันนี้ก็เหมือนกันก น, นะพี่น้องมุสลิมครอบครัวเดียวกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องมรดกมีไหมเอาอุลมามตาตัดสินเฮ้ยให้ศาลตัดสินเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมไปหานบีให้ตัดสินเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่เไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ อายกตัวอย่างเนี่ยมัผู้หญิงได้กี่ส่วนหนึ่งส่วนผู้ชายสองส่วนถ้ามีที่เนี่ยถ้าแบ่งตามกุรอานแบ่งตามอะไรนะอิสลามใช่ไหยล่ะผู้หญิงได้หนึ่งส่วนผู้ชายได้สองส่วนอยา่ยาๆๆๆไม่เป็นธรรมนี่ดาคารดาอลัอาอลลอฮ์นะตำมนิอัลกุรอานนะตมหนิสุนานะนบีนะแค่นั้นไปขึ้นสารดีกว่าสารคนกาเฟ่น่ะ เพราะที่นั่นน่ะเขาให้เท่ากันใช่ไหมไม่ใช่นี่ไงพี่น้องนี่ก็เหมือนกันนะฉะนั้นกุณอนา ญ, ญาญนี้เตือนนะว่าอิซาดูาอลิลลัลลอฮิวาลลุูลีเมื่อพวกเขาพวกสับหับคนมุนาฟิกถูกเชิญชวนถูกเรียกร้องให้ไปหาอัลลอฮ์และไปหารอซูลของอัลลอห์ลิยัคุมาใบานาฮุม เพื่อให้ท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยตัดสินระหว่างพวกเขาอิลลฟาริกุมมินหุมมัวรีดูนเมื่อนั้นส่วนหนึ่งของพวกเขาเป็นผู้หันหลังกลับคือไม่ยอมรับนบีมุฮัมมัดปฏิเสธฉันไม่ยอมให้นบีมุฮัมมัดมาตัดสินเห็น ไ, ไหมไปลองอัสบาบุนอูรุนของอาญาณีนในตบสิทธ ตอเ บ, บรีนะครับมีชายคนหนึ่งเป็นมุนาฟิกชื่อบิชรุนบิชอย่าไปตั้งชื่อนะบิชรุนบาชนรบิชรุนมีคดีความขัดแย้งกับคนยิวดีนะมีคดีความขัดแย้งกับคนยิวดีเรื่องที่ดินคนยูคนนี้ยิวดีบางคนคนยูคนนี้ต้องการจะนำคดีนี้ไปให้ท่านนับีเนี่ยตัดสิน คนยิวนะยอมรับมัโมสดนะคนอบีตัดสินดีแต่มูนาฟิกที่ชื่อบิชุลคนนี้บอกว่าไม่เอาถ้าไปหานาบีฉันไม่เอาแล้วก็เสนอให้ไปหาคนที่ชื่ออาชรอฟนี่เป็นคนไรนะเป็นคนยิวเหมือนกันอ่าคนมุนาฟิกเนะี่บอกไม่ไปหาคนเนี้ไปหาบาอชอาชลอฟเดียบค น, นยิวนี่แหละถ้าไปหานาบีเนี่ยไม่เอาเพราะ คนมุนาฟิกรู้ว่าถ้าไปหานาบีปั๊บนี่นะโอ้โหโ อ, โอับบาหนาบีตัดสินตามที่อัลลอฮ์ผิดผิดก็ผิดถูกก็ถูกเรื่องคอร์รัปชันไม่มีฉะนั้นคนมุนาฟิกเลยกลัวนะไม่กล้าไปตัดสินเพื่อจะเตือนพวกเราวันนี้ด้วยเหมือนกันนะเป็นคดีความกันเนี่ยอยากให้คนกาเฟตตัดสินได้ไหมให้มุสลิมด้วยกันตัดสินทุกเรื่องเลยเรื่องที่ดินเรื่องมรกดกมรดกเนี่ยเป็น้องอย่าไปหลงตามคนกาเฟตนะ ท่านธนาก็ต้องแนะด้วยให้เป็นทนาอย่างคว้าคว้าคว้าความให้ฉันรับรองว่าแต่ขอร้านหนึ่งไปทองอย่าไปเล่นนะฉะนั้นให้อุลามาตาัดสินให้อิหมามตาัดสินตามอัลกุรอานผละบุญมันอยู่ตรงนี้นี่เตือนนะเตือนคนที่อ่านอัลกุรอานนี่เตือนคนยุคก่อนยุคนบีมอมัดชื่ออะไรชื่อบิชรุนแล้วก็กับทะเลาะกับคนยะฮูดีเจ้ไหมคนบิชรุนว่าฉันไม่เอา ไปให้ท่านนาบีตัดสินนะครับแต่คนยิวต้องการจะให้นบีตัดสินอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าอิจ่าดุออองอิลลอฮิวะลซูลิฮิลิยะฮ์คุมะไบนะฮุมอิจ่าฟารีกุมมินฮุมมูอาริดูนและเมื่อพวกสัตรูถูกเรียกร้องถูกเชิญชวนให้ไปหาอัลลอฮ์และไปหารลสูล เพื่อให้นบีของอัลลอฮ์เนี่ยชื่อมะฮหมัดในนั้นะได้ตัดสินคดีความเรื่องที่ดินระหว่างคนมูนาฟิกกับคนยิวเมื่อ น, นั้นแหละส่วนหนึ่งของพวกเขารู้ตัวว่าถ้าหาไปให้นบีตัดสินนะฉันนี่ถูกทำโทษแน่เลยหันหลังกลับไม่ยอมรับที่จะให้ท่านนาบีตัดสินนี่ก็เป็นอาดาบอันหนึ่งเป็นการทรมานเป็นการลงโทษจากอัลลอ์อัลลอ์ห้ามอย่าทานะครับ โอ้พี่น้องนี่คุณอ่านสอนดีไหมสอนดีนะครับอ่านขั้นั้นพี่น้องครับนบีสอนอย่างนี้เมื่อฮากริมเมื่อฮากริมมาถึงผู้พิพากษาพูดตัดสินนี่นะที่เป็นมุสลิมนะบอกอามาชันจะช่วยตัดสินให้นะต้องน้อมรับคําตัดสินของผู้พิพากษาที่มีผู้หญิงหลายคนโทรศัพท์รร ม, มาครผมบอกว่าผัวนี กินเหล้าไม่นามาตรนั่นฟก็ไม่ตรงทรงอาจารย์มโนพูดอื่นนะฟก็กินเหล้าไม่นามาตไม่สรงนั่นะก็ฉันอยากจะเลิกจะทําไงนะขึ้นศาลศาลใหญ่คงนึกไม่ออกจะแก้ยังไงวะแต่ของอลัลลอฮ์นี่ยูดชั้นเลยนะผู้หญิงมีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้ด้วยอะ่ะให้ไปหาตัวก็ดีนะ เขาก็ดีทํางานดีไม่ทํางานในเรื่องนึงนะถ้าทํางานนะัยาได้เลยนะถ้าสามีไม่ดื่มเหล้าเอาหลักศาสนาอย่างดื่มเหล้าเรื่องการพ น, นันทําดินาถ้าจับได้นี่เป็นน้องนั้นเราจบแล้วเนี่ยของกันเยอะเพราะอะไรเพราะวันนี้ผู้หญิงเรียนศาสนากันเพิ่มขึ้นดูทีกันเข้าใจศาสนากันหันมาศาสนากันอรรเบน้องจะพัยังไม่เลิกเลยพาเขมา มารับลามพระยาณอีกเครื่องคัดดีในมงนามาดีแต่สามีเดิมอย่างคิดเล่าอยู่เลยผมดูรายการไหนไม่ทราบ ม, มีเมียทีนแปดคนมุสลิมมุสลิมเมืองไทยนี่นะแต่งานทีนแปดคนมีั้มมีเดี๋ยวนี้เริ่มมุลตา บ, บาตัวแร้วตา บ, บาตัวแ้วไม่อาและ้วชะอยู่ในอินเดียก็เอามือจับหู ท่านตบ ว, ว่าตัวแล้วไม่เอาแล้วนะครับอลัลลอฮฺพี่น้อง <c oughs> ทีนี้นะน บ, บีสั่งนะ <c oughs> เมื่ออายานี้กรรมการจะเป็นหลักฐานบอกว่าเมื่อดาอีเขาเชิญชวนให้ให้อลัลลอฮฺละลาสูลตัดสินเนี่ยนะให้รีบไปเลยเพราะการตัดสินที่ผ่านกุนอ่านผ่านสุนน่า น, น บ, บีเนี่ยเขาทําถูกต้องแลายอย่างในนะคนที่จะเป็นผู้ฮากิมตัดสินเนะี่ยต้องเข้าใจกุนอ่านด้วยนะ ต้องขยาุนนบีด้วยนะถ้าไม่ขยาุรานุนนบีตัดสินไม่ได้นะครับอย่างนี้นตมาที่49วอยุลลห์มุลฮัุยะตุอิฮิมุซนนวอยุลลมุลฮัุยะตุอิฮิมุซนน วัยยกุณถ้าหากเขาถ้าหากนะครับถ้าหากว่าอัลฮักความจริงล้หผมอยู่ข้างพวกเขาในอารม์ต้องการจะเล่าความความความรู้สึกลึกๆของคนมุนาฟิกเป็นอย่างนี้ถ้าความจริงอยู่ข้างเขาอธิบายยังไงคือแน่ใจว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบ เป็นฝ่ายถูกต้องถ้าคาดีนี้อ่านดูแล้วนี่นะคนมมนาฟิกชนะได้เปรียบนะครับเป็นไงครับยะตูอิไลฮิพวกเขาก็จะรีบมาหานาบดุมฮัมหมัดสุลล่านอะลัยุวัตสลัมยะตูอิไลหมายถึงคนมมนาฟิกมองเกมม อ, มองคดีแล้วโอ้คดีฉันนี่มันมันมันอำนาจจะชนะนะ เรายอยู่ในฝ่ายที่ถูกนะจะวิ่งหาใครรู้ไหมยยะตูอิไลฮิจะวิ่งมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่ลามแบบไหนครับมุสอินีนมาอย่างไรนะนอบน้อมแล้วก็ถ่มตนนบีครับช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยครับช่วยตัดสินให้หน่อยนี่เราโมนาฟิกตัวแซมเลยละดิละอีตอนทำท่าจะเสียเปรียบนะียฉันไม่เอามุฮัมมัด พรอรู้ว่าคดีตัวเองจะ ท, ทําท่าจะชานะไปหาอับดุมฮัมหมัดเลยนี่ไงนี่สายคนแบบนี้พี่นอนอาจารย์หนุ่มไองระวังให้ดีนะเรื่องการตัดสินคดีความขัดแย้งเนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้มีไหมมีครับมุมินกับมุมินด้วยกันก็มีฉะนั้นเมื่อมีแล้วนะให้อุลามาตัดสินให้ผู้รู้ตัดสินปฏัตตัดสินตามคุรานอย่าบัตรเลาะนานรอแค่อาทิตย์นึงก็พอแล้วเรีงพันคดีมันจบๆไปซะใช่ไหม ฉะนั้นคนโมนาฟิกเนี่ยนี่เล่านาะนิสัยคนมุนาฟิกเป็นอย่างนี้ถ้าจะให้อิสลามตัดสินนะต้องคดีของฉันต้องได้เปรียบถ้าเสียเปรียบเนี่ยไม่ไปวันนี้ก็เหมือนกันเป็นงมุสลิมหลายคนนะพระผู้ชายบอกว่าเอาขึ้นศาลอิสลามนี่แหละเรื่องแบ่งมรดกพระผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงไม่ยออนมปแล้วยูงว่าให้ศาลศาลรัฐบาลจัดการพอทันเท่ากัน อะไรที่ได้เปรียบนักเสนอเลยไปหานาบีไปหามุสลิมไปหาต๊ะกอดีพี่น้องอย่าทําแบบนี้จะเสียเปรียบได้เปรียบให้อลลอฮฺตัดสินเพราะตัดสินแล้วก็จบนะครับโอ้พี่น้องครับอัยญะฮับบีสอนอย่างนี้นะมันด้วยยาอิล่าขากิมินัลมุสลิมินฟะละมุญจิบฟะฮูวาฎอลิมผู้ใดที่ถูกตัดสินผู้ใดที่ถูกเชิญนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะ ให้ไปพบกับกอดีที่เป็นมุสลิมแต่ถ้าคนนั้นปฏิเสธไม่ยอมรับเขาเลยเป็นคนจอเลมเป็นคนเลวคนหนึ่งดังนั้นเวลามีปัญหาขัดแย้งกันนี่นะอยากให้คนอื่นมาตัดสินให้มุสลิมตัดสินกันเองดีกว่ามันมีคดีนะมีคดีเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองไทยระหว่างคนไทยกับคนดูไบเกิดขึ้นแล้วนะนี่ข่าวได้มาหาผม เขาบอกว่าเขาก็นั่งประชุมกันที่ที่ประเทศดูไบแล้วก็เชิญอุลมามะมาคนหนึ่งพอประชุมกันเสร็จอุลมามะบอกว่าไม่ให้มุสลิมที่ดูไบเนี่ยมาฟ้องศาลประเทศไทยให้คนกาเฟสมาตัดสิ์อย่าทำให้มุสลิมกับมุสลิมแก้กันเองให้อุลมามะแก้อย่าให้คนกาเฟสมาแก้ใช่ไม อันอุลมามะทั่วโลกเป็นสําหับมีความคิดเหมือนกันหมดเลยนะให้มุสลิมกับมุสลิมแก้กันเองเพราะมุสลิมเข้าใจกุรานเข้าใจสุนัขนบีเข้าใจเรื่องซาบ้านบีอย่างดีเพราะฉะนั้นเขาเกจะตัีก็ตัดสินแล้วมีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยนี่ข่าวที่มาหาผมโอ้พี่น้องครับกทะทลอกกันในเมืองไทยนี่นะอาหรับกับเมืองไทยเนี่ยจะขึ้นสาลเมืองไทยอุลมามะนะครับอย่าขึ้นแก้กันเอง หรือมันก็ยอนความไปซะจบๆกันไปซะจะไปให้คุณกาเฟตตัดสินดีไหมเนี่ยอัลฮัมดูลิละเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราได้รับแต่ผมก็เล่าใจเนน้องฟังนะครับอัต่อมาครับอาฟิคุลูบิมมรอบอเมรตแบูอัมยาขาฟูอิยาฮีฟัลลาอูอัลยมวรูลู بل أولئكهم الظالمون الله أكبر أفي قلوبهم ما رضى أم إرتابوا أم يخافوا أي يحيف الله عليهم ورسوله بل อูล ا ئ ك م ลม ظ ลล م و ن الله أكبر อัล ล, ลอฮถามคนคนคนมูนาฟิกเนี่ยอัลลอด์ให้ให้คนอ่านกุรานและให้ท่านนาบีคิดที่เขาบางเรื่องรับและบางเรื่องไม่รับถ้าหากว่าเป็นคดีที่ตัวเองทำท่าจะได้เปรียบให้ไปหาไปหานาบีตัดสิน แล้วก็แตหากว่าเสียเปรียบไม่ให้นบีตัดสินเพราะอะไรครับอลัลลอ์ถามอาฟีกูลูบิหิมมารดในหัวใจของพวกเขานั้นมีโรคใช่ไหมหัวใจมีโรคใช่ไหมโอ้นี่อัลลอฮ์ด่าดาชมอัลลอ์ด่ า, ดาอาฟีกูลูบิหิมมารดในหัวใจของพวกเขาเนี่ยยอมรับบางเรื่องปฏิเสธบางเรื่อง นไหนได้เปรียบชั้นรับอิสลามอัไหนเสียเปรียบชั้นไม่เอาอัลลอฮ์ถามว่าอาฟีกูลูบิหิมมารดหัวใจของคุณนะนะั้นน่ะป่วยหรือเปล่าพี่น้องหัวใจป่วยอธิบายยังไงหัวใจป่วยก็คือถ้าหากจะรับอิสลามต้องมีผลดีกับตัวเองจะอยู่กับฝ่ายอิสลามเนี่ยตัวเองต้องได้ประโยชน์นะมีมูมอัลลาหอยู่คนหนึ่งอนะ่ะมารับอิสลาม เจอผมก็เล่าแล้วร้องไห้ด้วยบอกฉันนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งรับอิสลา้วยมาณสักสีปีหปีรถไปควา่าพอรถคว่มนี่นะในต่างใน ต, ง ต, งต่างจังหวัดฉันไม่เป็นอะไรเลยพอพอออกามาจากรถในะรถนันพังอ่ะแต่ตัวเองในะปลอดภัย ถ้ามองจากสภาพรถแล้วนะคนน่าจะตายก็บอกนี่อัลลอฮ์ให้ใช่ไมร้องไห้เลยดีใจใช่ไหมไปทั้งคนที่ช่วยคนไม่ให้ตายนะใครอัลลอฮ์พระเอะไาเ ข, เขาคิดได้ก็โอ้เนี่ยถ้ามองจากสภาพจริงๆแล้วนะฉันต้องตายแต่รถพังฉันรอดอัลฮัมดุลิลลาไปทั้ง แต่บางคนนี่นะจะรับอิสลามเนี่ยพอรับแล้วน่ยต้องได้ประโยชน์ตัวเองต้องได้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ประโยชน์ทลาบายบายจะไปเลยไปน้องฉะนั้นอย่าอย่าคิดแบบนั้นนะเพราะรับอิสลามเนี่ยไปน้องก็คือใครที่รับอิสลามเพราะอิสอลามเนี่ยอลัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกนะอล่ะอัลลอฮ์สร้างมาสร้างสร้างสร้างเรามานะอลัลลอฮ์ให้ทุสิ่งทุอย่างทคนจะรับอิสลามต้องเข้าใจสามเรื่องนะหนึ่ง ต้องยอมรับในอัลลอฮ์ในกี่รายการนะสามรายการหนึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างครีเอเตอร์ข้อเรียกอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทู้เสียงผู้อย่างเรื่องที่สองอัลลอฮ์อะไรน ะ, All, นระอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอ่าเป็นพระเจ้ามาถึงจะก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้อันที่สามอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าเนะี่ยอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้อัลลอฮ์มีสิปฏเท่าไหร่นะ 9กพระนามนั่นคนที่รับอิสลามก็ต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนนะสเรื่องด้วยกเรื่องของอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์มีสมรายการใหญ่ๆ ห, หนึ่งอลัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสองอลัลลอฮ์หนึ่งบริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวข้อที่สองอลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจะไปก้มลงกราบสิ่งอื่นใดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะถ้าไปกราบกล้วยตองมุตัดทันทีไปกราบดวงอาทิตย์ตงมุตัดทันทีต้องกราบอลัลลอฮ์องเดียวข้อที่สามอลัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้า แล้วก็อลลรมีสิทธิฟัดเท่าไหรนะอีก99้าสพนามเช่นทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินให้เป็นให้ตาให้ร่ําให้รวยให้เจ็บให้ป่วยใ ห, ให้หายปวดเป็นหน้าที่ของอรรมหมดเลยฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีถ้ามีก็เป็นยินละชายตอนใช่หรือไม่ใช่บูตากีเนี่ยพัแปลงตัวมาไงแปลงตัวเป็นแมวบ้างแปลงตัวเป็นหมาบ้างแปลงตัวเป็นคนบ้างนั่นยินละชายตอนนะครับฉะนั้นกับมุสลิมชายตอนไม่กล้าเข้า พอเราอ่านกูอ่านอยู่ตลอดเวลาอัมฟีอาฟีกูลูบิหิมมาดในหัวใจของพวกเขานี่ยมีโรคกันนั้นหรืออัมหรือเอรตาบูหรือพวกเขาสงสัยในการสอนศาสนาของท่านยบีมาอัลลถามสองเรื่องคุณสงสัยหรือหัวใจมีโรค พี่น้องครับคนในหัวใจมีโรคคนอย่างนี้คนที่นับถือพระเจ้าหลายองค์หัวใจมีโรคคนที่สงสัยวันนี้คนยังสงสัยกันเยอะในะว่าตัวเองตายแล้วไปไหนแต่มุสลิมมีคําตอบแล้วใช่ไหมมุสลิมตายแล้ววิญญาณอยู่ในอินลียนีนวิญญาของคนแกลเฟสอยู่ในซิดยียนที่คําตอบชัดเจนตายอยู่กี่วันอยู่ในกุโบ แล้วก็ถ้าถ้าไม่อ่านกุรานอยู่บนโลกดุงยาไปนี้ไม่เคยจับคุรานเลยนี่นะชีวิตของเขาจะคับแคบกุรานสอนชัดตายไปแล้วอยู่ในกุโบจะถูกอะไรนะถูกโลงบีบถูกดินบีบอย่างนี้สิคโคงเป็นอย่างนี้กุรานบอกชัดเตือนชัดแต่คนกาเฟสเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนวิญญาณจะเป็นยังไงไม่รู้อิสตาบูหรือเปล่านี่แหละสงสยัย จะเป็นนู่นเป็นนี้หรือเปล่าจากอิสลามมีฉอนสอนชัดเจนเลยเป็นองค์กรฉะนั้นอัลลอฮ์ถามนกตกุณอ่านบอกว่าคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลเนี่ยพวกเขาหัวใจของเขามีโรคใช่ไหมหรือวัวใจของเขาสงสัยหรือเปล่าบางคนยังสงสัยวาตาเนี่ยฟื้นหรือไม่ฟื้นใช่ไหมสงสัยเนี่ยตาจะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยแต่อิสลามตอบไงทุกคนต้องฟื้น ตายเท่าไรฟื้นเท่านั้นการฟื้นมีสองสองสองแบบนะฟื้นแบบตาบอดกับฟื้นขึ้นมาตาไม่บอดเป็นต้องเลือกเอาไหนครับฟื้นแบบตาบอดอานอย่างนี้คนกาเฟททั้งหมดฟื้นตาบอดหมดเลยครับฟื้นจะหลุมหลุมหลุมศพนะถึงจะเผาไปแล้วก็ตามอ่ะพอฟื้นขึ้นมาในวันเกียมตนะตาบอดหมดเลยครับกูอ่านตรงไหนครับ วันะชูรูหูเยามังติยามติอามาเราจะให้พวกเขาชุมนุมกันในวันเกียรมะในสภาพคนตาบอดเพราะครับแล้วก็ประท้วงออลลออตัดกายาตุนาฟานาซิตาถามออลลอว่า AH? ฉันนี่มาก่อนน่ฉันตาดีแล้วออลลอให้ฉันตาบอดทำไมออลลอตอบบอกว่าฉันให้คัมภีร์คุรานมาให้อิสลามมาให้นบีมุฮัมมัดมา ถ้าคุณไม่เคยสนใจสามสามสี่รายการนี้เลยในเมื่อคุณไม่สนใจคุณก็ลืมฉันฉันก็ให้คุณตาบอดเราะฉะนั้นในวันเกียรมอิสลามอธิบายชัดเจนนะครับใครอยากตาบอดก็คืออยากอ่านกุรานหันหลังให้อ่ากอ่านุรานตาบอดแน่ๆ แ, แล้วนอนอยู่ในสุสานนอนอย่างนี้ครับสีโคงประสานกันแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่อ่านคุรานไม่เรียนสุนนะของท่านนาบี ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักระซุ่หันหลังอ่าอัลกุรอานสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยอธิบายไว้ชัดเจนชีวิตหลังตายครับพี่น้องทางอธิคนบางคนเนี่ยอิรตาบูยังนะยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยฉันนี่จะเป็นอะไรกันแน่เนี่ยตาเนี่ยจะฟื้นหรือไม่ฟื้นแต่กุรอานตอบชัดเจนไหมชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ถามอัมยาคอฟูไอยาฮิฟัลลอเรื่องที่สามหรือว่า พวกเขากลัวที่อัลลอฮฺละระซูนั้นลำเอียงแก่พวกเขาถามสามเรื่องลำเอียงอัลลอฮฺจะลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยอย่าให้ฟาเบลลำเอียงเข้าข้างอัลลอฮฺไม่เข้าข้างใครใครไปน้องแล้วก็นบีก็ไม่ข้างใครเข้าข้างคนที่ถูกต้องอย่างเดียวอย่าไปสงสัยอัลลอฮฺถามพวกคนกลัวหรืคนป่วยหรือคนสงสัยหรือ คุณกลัวว่าอัลลอฮ์แล้วกซูลจะลำเอียงหรือผิดหมดเลยแต่คนที่ไม่เอาศาสนาจะมีอย่างนี้แหละตลอดเวลาในใจมีโรคมีสงสัยมันจะลำเอียงหรือเปล่านี่แหละข้อสงสัยทั้งหมดในอิสลามไม่มีครับในอิสลามไม่มีครับเรื่องโรคก็ไม่มีคนที่นับถือพระเจ้าเกินหนึ่งองค์เป็นโรคหมดกุณอ่านตรงไหนครับ อะไรวะ อ, อ, อันสับเบฮิสนะก็เดาฟุลฮามันซักกะฮะว่าก็ดาคอบะมันดัสฮะใครที่ซักฟอกหัวใจให้สะอาดให้นับถืออัลลอฮ์องเดียวคนนั้นเป็นคนหัวใจสะอาดบริสุทธิ์และใครที่สะสมความชั่วเอาไว้เป็นน้องเขาเป็นคนที่ขาดทุนอย่างย่อยยับเลยฉะนั้นซักฟอกหัวใจให้สะอาดก็คือ หันมายอมรับในอัลลอฮ์องเดียวในท่านนาบีมุฮัมมัดคนเดียวในคัฟีร์คุรานเล่มเดียวในอะไนะใบตุล่ลอะอันเดียวกลบหลั่เดียวไม่หนึ่งหนึ่งหนึ ง, นงมดเลยอัลลอฮ์เข้าข้างใครอัลลอฮ์เข้าข้างคนที่ถูกต้องเท่านั้นคนมุสลิมทําไม่เอาศาสนาะก็ลงนรกไปอัลลอฮ์ไม่แคงอ่ะคนทั้งโลกนี่แอนตี้ไม่ายอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไปยังไม่ได้ยุดใหญ่เหมือนเดิมนั่นแหละไปน้องเราเองทหารที่แย่ลงแย่ลงวันนี้ อัต่อมาครับอายาสุดท้ายนหะ้าสิบเอ็ดอินนากานาเกลุลมุมินีนไม่ใช่สิอะไยฮิบรอซูลุบลูลาอีกฮูมุลลิมูนคนที่หัวใจเป็นโรคคนที่อะไรนะสงสัยคนที่คิดว่าอัลลอฮ์และรอซูลลำเอียงทั้งหมดเหล่านี้เป็นคนอะไรครับ ซาลิมูนเป็นคนอาธรรมอัลลอฮฺเห็นยังครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องโรคในหัวใจไม่มีอิสลามนั้นไม่มีคําว่าสงสัยอิสลามเรื่องเข้าลำเอียงคนแกล้งคนไม่มีครับอิสลามนี่ตรงไปตรงมาสอนให้คนเนี่ยยืนกับความจริงตลอดถ้านบียรสอนอย่างนี้ถ้าหากฟาติมาลูกสาวฉันรัก ทำไงถูกไหมนบีจะตัดมือลูกสาวก่อนนีล่ละเอียงไหมไม่ลำเอียงครับมีวันหนึ่งพระญาณบีกับพระญาอีกคนหนึ่งเนี่ยรอเลียนพระญาอีกคนหนึ่งผู้หญิงพระญาณบีอีกคนหนึ่งมันล่ําแล้วก็เตีย้ยพระญาที่สวยการกระวังว่า อ, อ๋อพระญาณบีคนเนี้จ้ะ แค่ทํำท่าอย่างนี้นะทาท่านะไม่ได้พูดนะครับนบีบอกอย่าพูดนะอย่าทานะถ้าหากเอาท่าของคุณเนี่ยเป็นสาส์แล้วไปรวมกับนา้นาทะเลน้าทะเลเน่าเลยนะให็มไหมนี่นบีเข้าข้างใครภรรยาขอนาบีนบีก็เตือนอย่าทําอย่างนี้เห็นไหมเข้าข้างใครไม่เข้าเป็นภรรยานี่ยนั่นก็ยอมกันกนะ แ, แต่ไม่ยอมเนี่ย อย่าทำอย่างนี้นะอย่าว่ากันนะอย่าตำหนิกันนะนี่สอนภรยาตัวเอง็อยังผอจาจจะนี่เลาอีกนิดนึงเราคุรานี่จะต้องต้องผูกพันกันนะพี่น้องเราก่านุรานี่ต้องอ่านเยอะๆนะแบบคาฟิสอิมรน้องเอต้องอ่านกุรานแบบนี้เลยถึงเรามาใช้คาฟิสก็อ่านกุรานเธอ นี่ผมมีซอ บ, บ้านอับดีนั่งอ่านเมื่อคืนเลยนะซอบา้นานบีเขาอ่านเขาอ่านกูอ่านยังไง ร, รู้ไหมมีชายอยู่คนหนึ่งชื่ออับดุลละอับดุลละบินรอวาฮะเป็นซอบ้านอับี น, บนบนะเขาเอาศรีรษะของเขาเนี่ยวางอยู่บนตักใครน้องท้าจิ้มตักใครตักภรรยาเราเคยทำบ้างทํายอะมากทําเธอะ เป็นซุนนาของซอฮาบะนบีนบีก็ทํานบีนอนเอาศีรษะวางบนตักภรรยาทําลยเป็นน้องเป็นซุนนานบีเป็นซุนนาของซอฮาบะนบีเป็นซุนนานบีด้วยในเรื่องครอบครัวมาคุยกันตรงนี้นะฉะนั้นเอาศีรษะวางบนตักภรรยาเป็นงานที่น่ารักมากเป็นโรแมนติกแล้วเป็นไงรู้ไหมท่านอัมดุลลอห์บินอัฮะเนี่ร้องให้ น้ำตาไหลพายากำนั่งดูก้มหน้าเห็นหน้าสามีร้องไห้พรยาก็ร้องด้วยสามีก็ถามว่าเธอร้องอะไร laughed. เธอร้องทำไมพายาตอบว่าก็เห็นพี่ร้องฉัน ก, ก็ร้องตามเธสิไม่รู้เพรเาะอ้าอย่างนั้นนี่หแล้วก็พายาถามว่าแล้วก็พี่ร้องทำไมท่านอัมดุลลอตอบอินนีจาการโต ฉันเนี่ยนึกถึงเกุรอฮ์คําพูดของอัลลอฮ์เห็นไหมนอนอยู่บนตักภรรยาใจนึกถึงกุรอานเห็นไหมนี่สอนอะไรครับสอนให้เราอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอัลกุรอานท่านอัมดุลลาบินราวะฮาเนี่ยนอนอยู่บนตักภรรยาร้องให้ภรรยาก็าร้องตามพอร้องเสร็จภรรยาถามว่าร้องให้ทําไม สามีตอบว่าฉันกำลังนอนอยู่บนตักเธอเนี่ยนึกถึงคุรานอายาหนึ่ง อ, ญญอญญายาไหนครับว่อินนามิงคุมอิลลาวารีดูฮะงั้นโซโละไหนอาจารย์อิมรอนอิมรอนฮาฟิสว่อินนามิงคุมอิลลาวารีดูฮะโซโละมัลัยยัมาซยามัมารยามาราั ม, ยมอาลาัลลฮนะครับโซโละมัลยยัมแปลอะไรใช่ไหม ไม่มีผู้ใดในหมู่สูเจ้ารอดสักคนหนึ่งนอกจากจะเป็นผู้ผ่านเข้าไปในนรกผ่านงกหมดไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งทุกคนจะต้องผ่านนรกหมดแล้วก็นอนรอ้องไห้คิดถึงอรรยานี้เห็นไหมนอนอยู่บนตักภรรยาเนี่ยไม่รู้ว่าแต่งงานใหม่หรือเปล่ า, าไม่รู้นะแต่งไงพวกเราจะนึกเหรอ แต่ซอบา้นานนบีนึกถึงกุรอานอายะเดียวอัลลอฮ์เห็น้องเห็นยังครับเนี่ยที่ว่าให้ปฏิบัติตามซอบา้นานนบีนึกถึงซอฮาบ้านดาซอบา้นานนบีได้ยังไงอ่ะซอบา้นานนบีบนโตรกตัวมุดตัดบนแล้วนี่คือน้องเราพูดบางคนพูดอย่างนี้นะพูดทําไมอ่ะขนาดนอนอยู่บนตักภรรยาเนี่ยร้องให้ ร้องห้ทำไมคิดถึงอายกคุรอ่านอายาหนึ่งที่เอาล้อกล่าวว่าว่าอินามิงกุมอิลลาวริดูฮาไม่มีผู้ใดในหมู่สูเจ้ารอดสักคนหนึ่งนอกจากจะเป็นผู้ผ่านเข้าไปในนรกเตยสุรมะเรยบเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นผมให้กำลังใจท่านบุนวองว่านอนบนตักภรรยาเนี่ก็เป็นสุนนะนาของซอฮบานาของท่านนบีนาแล้วก็นึกอะไรนึกถึงกุราน อย่านึกถึงอะไรแต่อย่างอื่นพยายามนึกถึงคุ้อ่านเยอะๆนะพ่อคุ้อ่านเนี่ยช่วยประคองเราให้อยู่กล้าชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาแหละอัลลอฮ์ปน้องครับดีไหมดีมากครับเป็นน้องอา่าคุณลองอายาสุดท้ายเนี่ยไม่จบนะครับ อ, อ่นนิดนึงว่าอินนามาเก้ากาเนเก า, กาลัลมุมินินแท้จริงคำกล่าวอันแรกนะคำกล่าวของคนมุนาฟิกใช่ไหม มาดูคำลกล่าวของคนมุสลิมเป็นยังไงครับอิจ ال ่ดูอาอิละลอฮิวาลซูลิเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องเชิญชวนให้ไปหาอัลลอฮ์ละรอซูลิยะกูมาใบนาฮุมเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยตัดสินระหว่างพวกเขาจะเป็นคดีความอะไรก็ตามใ น, นว่าเรียกว่าใหญ่นะไอยากลูพวกผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงกล่าวว่า สามยานาว่าอัตนาเนี่มุมินครับฉันได้ยินแล้วฉันเชื่อฟังแล้วเอา้าไปน้องครับขอยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งทองมาปธรทมศีนาผู้หญิงทองคนนี้ไปน้องสมัยนบีก็ได้ยินนบีสอนว่าคนทอนจะต้องถูกอะไรนะถูกเขียนจะต้องถูกอะไรนะถูกคว้างจนตายมหานาบียาสุลลหนูทอง นบีกับเบิร์นนะ้าไปห่างๆเลยสองเที่ยงนะนบีเอาไ ป, ไปขอดลูกก่อนหน้าแล้วก็มาหาฉันพอขอดลูกออกมาแล้วนะ่ะอุ้มลูกมาแล้วซุรอฉันขอดลูกแล้วนบีก็บเบิร์นหน้าอีกไปไปไปเลี้ยงลูกให้โตก่อนหนะ้าให้มันกินทิ้งนมก่อนเลยขอมาพอลูกทิ้งนมแล้วก็อุ้มลูกมาเอาลูกกินขนมปังได้มาหานาบีอีกมากี่ครั้งสามแทงอ่ะ ท่านท่า น, นนีไปไปตาบ้าตัวก็ได้ไหมนนี้ก็ไม่ว่าแล้วไปก็ไปมันกระจุกมนไล่ไปสามสองเที่ยวแล้วไปกลับบ้านไปไม่มาอีกกมาครั้งที่สามนาบีอา้อาวจัดการลงโทษให็นไหมท่านพ่อนบีตัดสินอะไรปับ๊บเคยไปน้องต้องยอมรับหมดเลยแล้วก็มีชายอยู่คนหนึ่งเนะี่ยด่าพอเลือดเนี่ยเลือดมันกระเด็นไปถูกเลือดซกซุก น บ, บีรู้นี่ว่าคุณรู้หรือเปล่าเนื้อเลือดของผู้หญิงเขนี้อลัลลอฮ์รับแล้วอภัยโทษให้แล้วถ้าเอาเลือดนี้นะไปแปะกับคนทุกคนในม ด, ดีนา น, นะอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยเลือดสะอาดเลือดบริสุทธิ์แล้วไป น, นั้นเป็นองค์ับสรุปสัปส้นๆก็คือว่าเราต้องผูกพันกับคําสั่งของอัลลอฮ์แล้อลสูลพยายามอ่านอลัลกุรอานสม่ําเสมอแล้วก็หาความรู้จกากอัลกุรอานถ้าไม่อ่านกุรอานไม่เอาความรู้จากกุรอาน ในวันเกียมาจะฟื้นขึ้นในสภาพค้นตาบอดขนาดนอนอยู่ในกุโบกูโบบีบอยู่บนทุนยาใบนี้ก็อึดอัดพี่น้องแก้ปัญหาอะไรไม่ถูกถึงจะบ้านใหญ่มีรถขับมีธุรกิจดีใส่เสื้อผ้าวันสองชุดรองเท้าแบบอิเนเดีด้ภรรยา ป, ประตาทิพดีฟิลิปปินจะเป็นกี่ร้อยคู่ก็ตามชีวิตของคุณไม่ต่างอะไรกับฟาโรฉนันเตนพี่น้องครับอย่าเอาความร่ำรวยมาตัดสินว่า คนนี้รวยคนนี้ดีไม่ใช่อยู่ที่หัวใจคุณผูกพันกับใครสุภานัลลอฮุมะฮ์มัดิยุฮัมดิยาชุลเลียอินละอินละอันตะอัสตัคซุบะกะวะตุบะยุไลคุ้มัสสลามุอะลัยกุมบาระมัตุลลอฮ์บะวะบารกะตุ